ธรรมบทแปลเรื่องที่7เรื่องพระเทวทัตข้อความเบื้องต้นพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบการได้ผ้ากาสาวาอันบุคคลได้นำมาแต่แคว้นขันธาระของพระเทวทัตในกรุงราชฤาิ์ตรัสพระธรรมเทศนาน้ว่าอนิกะซาโวเป็นต้น ตอนพระสารีบุตรแสดงธรรมแกช่ชาวกรุงราชกฤชความพิสดารว่าสมัยหนึ่งพระอัครสาวกทั้งสองพาบริวารของตนองค์ละห0 0รูปไปทูลลาพระาศาสดาแล้วได้ไปจากพระเชตวันสู่กรุงราชกฤชชาวกรุงราชกฤชรวมเป็นพวกเดียวกันสองคนบ้าง สามคนบ้างหลายคนบ้างได้ถวายอากันตุกะทานอยู่มาวันหนึ่งท่านพระสารีบุตรเมื่อจะทำมนุโมทนาแสดงทำอย่างนี้ว่าอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทายกคนหนึ่งถวายทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนคนอื่นทายกนั้นย่อมได้โภคาสมบัติ ในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ไม่ได้บริวารสมบัติคนหนึ่งชักชวนคนอื่นส่วนตนเองไม่ถวายผู้นั้นยอมได้บริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วแต่ไม่ได้โพคสมบัติคนหนึ่งแม้ตนเองก็ไม่ได้ถวายแม้คนอื่นก็ไม่ชักชวนผู้นั้นยอมไม่ได้ แม้วัตถุมาดว่าข้าวปลายเกลียนเพราะอิ่มท้องย่อมเป็นคนอนาถาหาปัจจัยมิได้ในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วคนหนึ่งทั้งตนเองก็ถวายทั้งชักชวนคนอื่นผู้นั้นย่อมได้โพค้สมบัติทั้งบริวารสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้วเกิดแล้วสิ้นร้อยอัตภาพบ้าง พันอัตภาพบ้างแสนอัตภาพบ้างตอนนิมนต์ภิกษุพันรูปรับพัตาหารบุรุษผู้บัณฑิตคนหนึ่งฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วคิดว่าท่านผู้เจริญพระธรรมเทศนาน่าอัศจรรย์พระผู้เป็นเจ้าสารีบุตรกล่าวเหตุแห่งความสุข เราทำกรรมอันยังสมบัติทั้งสองเหล่านี้สาเร็จย่อมสมควรดังนี้แล้วจึงนิมนต์พระเถระว่าท่านกรับพรุ่งนี้ก่อนนิมนต์ท่านทั้งหลายรับภิกษาของผมเถิดพระเราถระถามว่าท่านต้องการภิกษุเท่าไรอุบาสกอุบาสกย้อนถามว่าก็ภิกษุที่เป็นบริวารของใต้เท้ามีเท่าไรขอรับ พระเถระมีประมาณพันรูปอุบาสกอุบาสกข้าแต่ท่านผู้เจริญขอใต้เท้าพร้อมด้วยภิกษุทั้งหมดทีเดียวโปรดรับภิกษาของผมพระเถระรับนี้หมดแล้วตอนชวนชาวบ้านถวายพระ ต, ตาหาร อุบาสกเที่ยวไปในถนนพระนครชักชวนด้วยคำว่าข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลายฉันนิมนต์ภิกษุไว้พันรูปท่านทั้งหลายจักอาถวายภิกษาแก่ภิกษุมีจานวนเท่าไหร่ท่านทั้งหลายจักอาถวายพิกษาแก่ภิกษุมีจำนวนเท่าไหร่พวกมนุษย์กล่าวโดยเหมาะพอควรแก่กำลังของตนของตนว่าพวกฉันจักถวายแก่ภิกษุ1ิบรูป พวกฉัน20สิบรูปพวกฉันหนึ่งรรูปอุบาสกกล่าวว่าถ้ากระนั้นเราทั้งหลายจากประชุมหุงต้มรวมกันในที่แห่งเดียวขอท่านทุกๆคนจงรวบรวมวัตถุต่างๆมีน้ำมันงาเข้าสารเนยใสน้ำอ้อยเป็นต้นดังนี้แล้วให้รวมสิ่งของไว้ในที่แห่งหนึ่ง ทีนั้นกุดุมพีผู้หนึ่งให้ผ้ากาสาวะอันนำมาจากแคว้นขันธาระซึ่งมีค่าแสนหนึ่งแกอุบาศกนั้นแล้วสั่งว่าถ้าธานวัตรของท่านยังไม่เพียงพอใซท่านพึงจ่ายผ้าผืนนี้ให้ครบส่วนที่บกพร่องถ้าธานวัตรของท่านเพียงพอใซ้พึงถวายผ้าผืนนี้แกภิกษุรูปที่ท่านปรารถนา ในการนั้นทานวัตถุทุกทุกอย่างของอุบาสกนั้นเพียงพอแล้วอะไรอะไรชื่อว่าบกพร่องไม่ได้มีอุบาสกนั้นจึงถามมนุษย์ทั้งหลายว่าภากาสาวะอันหาค่าไม่ได้พืช น, นี้อันกุดุมพีผู้หนึ่งกล่าวอย่างนี้แล้วมอบให้ไว้ทานวัตของพวกเราก็มีเหลือเฟือแล้วเราทั้งหลายจะถวายภาคารสาวะพืนนี้แก่ท่านรูปไหนเล่า ตอนถวายผ้าราคาตั้งแสนแก่พระเทวทัตบางพวกกล่าวว่าถวายแก่พระสารีบุตรเถระบางพวกกล่าวว่าพระเถระมักมาในเวลาเข้ากล้าแก่แล้วก็ไปพระเทวทัตเป็นสหายในการมงคลและอวบมงคลทั้งหลายของพวกเราดํารงอยู่เป็นนิจเหมือนหม้อน้ํา พวกเราจะถวายผ้าผืนนี้แก่ท่านแม้เมื่อถ้อยคําเป็นไปหลายทางอย่างนั้นพวกที่กล่าวว่าควรถวายแก่พระเทวทัตได้มีจานวนมากกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นพวกเขาจึงได้ถวายผ้ากาสาวานนั้นแก่พระเทวทัตตอนเทวทัตนุ่งห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน พระเทวทัตนั้นตัดผ้านั้นแล้วเย็บย้อมนุ่งห่มเที่ยวไปพวกมนุษย์เห็นท่านแล้วจึงพูดกันว่าผ้าผืนนี้หาสมควรแก่พระเทวทัตไม่ควรแก่พระสารีบุตรเถระพระเทวทัตนุ่งห่มผ้าอันไม่สมควรแก่ตนเที่ยวไปขณะนั้นภิกษุผู้อยู่ต่างทิศ ร, รูปหนึ่งออกจากกรุงราชกฤห์ ไปสู่กรุงสาวฏิถวายบังคมพระศาสดาเป็นผู้อัานพระศาสดาทรงธรรมปฏิสันถานตรัสถามถึงการอยู่ผาสุก ข, ของพระอัครสาวกทั้งสองแล้วจึงกราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดจำเดิมแต่ต้นพระศาสดาตรัสว่าภิกษุเทวทัตนั้นทรงผ้าที่ไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาม่ได้ แม้ในการก่อนเธอก็ทรงแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าตอนครั้งก่อนเทวทัตเป็นนายพลานช้างในอดีตการเมื่อพระเจ้าพระมุขครองราชสมบัติในพระนกรพรรสีนายพรานช้างชาวพระพรนครพรณสีผู้หนึ่ง ลมช้างแล้วนำงาหนังไส้ใหญ่และเนื้อล่ำมาแล้วคายเลี้ยงชีวิตครั้งนั้นช้างหลายพันเชือกเดินหากินอยู่ในป่าแห่งหนึ่งพบพระประเจกับพุทธะหลายองค์จำเดิมแต่การนั้นเมื่อไปหมอบลงด้วยเข่าทั้งสองแล้วจบในการที่ไปและมาทุกครั้งแล้วจึงผ่าน จบในที่นี้หมายถึงทำความเคารพคือไหว้วันหนึ่งนายพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราล้มช้างเหล่านี้ได้โดยยากก็ในการไปและมาช้างเหล่านี้ย่อมจบพระประเจ ก, กับพุท ธ, ธทั้งหลายมันเห็นอะไรหนอจึงจบกำหนดได้ว่าเห็นผ้ากาสาวะกดังนี้แล้ว ตั่มรีว่าบัด น, นี้แม้เราได้ผ้ากาสาวะย่อมควรเมื่อพระปจเจ ก, กับพุทธรูปหนึ่งลงไปสู่ชาติศักสิ์ส่งน้ำอยู่วางผ้ากาสาวะทั้งหลายไว้ที่ริมฝั่งจึงลักจีวรไปจับหอกนั่งคลุมโปองอยู่ที่ริมหนทางที่ช้างเหล่านั้นไปมา มูช้างเหินเขาแล้วจึงจบด้วยสําคัญว่าพระประเจกพุทตาแล้วก็ผ่านไปในาพรานช้างนั้นเอาหอกพุ่งถูกช้างตัวไปข้างหลังช้างเหล่านั้นทั้งหมดให้ตายแล้วถือเอาส่วนต่างๆมีงาเป็นต้นฝังส่วนที่เหลือในแผ่นดินแล้วไปในการต่อมาประโพธิสัตว์ถือปฏิสนธิในกําเนิดช้าง ได้เป็นหัวหน้าช้างเป็นนายโขลงถึงในการนั้นนายปรานช้างนั้นก็คงทําอยู่อย่างนั้นพระมหาบุรุษทราบความสิ้นไปแห่งบริษัทของตนจึงถามว่าช้างเหล่านี้ไปไหนจึงเบาบางไปเมื่อช้างเหล่านั้นตอบว่าไม่ทราบนายคิดว่า ช้างทั้งหลายจะไปไหนไม่บอกเราก่อนจับไม่ไปอันตรายพึงมีนึกสงสัยว่าอันตรายพึงมีแต่สำนักแห่งบุรุษผู้นั่งกลุ่มผ้ากาสาวะในที่แห่งหนึ่งเมื่อจะจับบุรุษนั้นจึงส่งช้างทั้งหมดล่วงหน้าไปก่อนส่วนตนมาล้าหลังในายพรานช้างนั้นเมื่อช้างที่เหลือจบแล้วเดินไป เห็นพระมหาบุรุษกำลังเดินมาจึงม้วนจีวรพุ่งหอกใส่พระมหาบุรุษคุมสติเดินมาถอยกลับข้างหลังหลบหอกแล้วทีนั้นจึงวิ่งแปลเข้าไปเพื่อจะจับนายพรานช้างนั้นด้วยสำคัญว่าเจ้าคนนี้ให้ช้างของเราฉิบหายแล้วนายพรานช้างนอกนี้ แอบบังต้นไม้ต้นหนึ่งที่นั้นพระมหาบุรุษเอางวงรวบเขาพร้อมกับต้นไม้หมายใจว่าจะจับฟาดลงที่แผ่นดินกรันเห็น้ากาสาวาที่เขานำออกแสดงจึงยับยัางไว้โดยคิดเห็นว่าถ้าเราจักพระทศร้ายในบุรุษนิไซยชื่อว่าความละอายในพระพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธ และพระขีณาศพหลายพันดงจะเป็นอันเราทำลายแล้วซักถามว่าหยาิของเราประมาณเท่านี้เจ้าให้ฉิบหายแล้วหรือนายพรานช้างรับสารภาพว่าจ้านายพระมหาบุรุษกล่าวว่าเพราะอะไรเจ้าจึงได้ทำกรรมอันหยาบช้าอย่างนี้เจ้าห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะทั้งหลายเมื่อทำกรรมอันลามกเห็นปันนี้ชื่อว่าทำกรรมอันหนักก็แลครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วเมื่อจะข่มขี่ให้ยิ่งขึ้นจึงกล่าวคาถาว่าอนิกะซาโวกาซาวังโยวัตทังปริดเุสติอเปโตดัมส ah ัจเจนะ นโซกาซาวามรหติโยจาวันตะกะซาวสสะสี่เลสุสุสมาหิโตออเปโตดมัจเจนะสะเวกาซาวามรหติบุไดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมและสัจจะจะนุ่งห่มผ้ากาสาวะ ผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันคายแล้วตั้งมั่นดีในสีทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจ์ผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะดังนี้แล้วกล่าวว่าเจ้าทำกรรมอันไม่สมควรแล้วก็ปล่อยเขาไป ตอนของดีย่อมควรแก่คนดีหาควรแก่คนชั่วไม่พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแล้วทรงย่อชาดกว่าในพรานช้างในการนั้นได้เป็นเทวทัตในบัดนี้ช้างตัวประเสริฐผู้ข่มขี่ในพรานช้างนั้นคือเราเองดังนี้ตรัสว่าภิกษุ ไม่ใช่แต่ในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ส่งผ้าไม่สมควรแก่ต้นเหมือนกันดังนี้แล้วได้พาสิทธประกถาเหล่านี้ว่าอณิกะซาโวกาซาวังโยวัฒนทั้งปริดาเหตสติอเปโต้ดัมสัจเจนะณนะโซกาซาวมระหติโยจะวันตะกะซาวัสส สี่เลสุสุสมาหิโตอุเปโตดัมสัสสเจนะสะเวกาซาวมรหะติผู้ใดมีกิเลสดุดน้ำฝาดยังไม่ออกปราศจากธรรมะและสัจจะจากนุ่งห่มผ้ากาสาวะผู้นั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดพึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝาดอันไขแล้ว ตั้งมันดีในศิลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นแลย่อมควรนุ่งห่มผ้าก้าสาวะเนื้อความนี้บัณฑิตพึงแสดงแม้ด้วยชัดท่านตะชาดกท้งนี้แลตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอ น, นิกะซาโวความว่า ผู้ชื่อว่ามีกิเลสตุดน้ำฝากเพราะกิเลสตุดน้าฝากทั้งหลายมีการมราคาเป็นต้นบทว่าปริดเหติตสติความว่าจักใช้สอยด้วยสามารถแห่งการนุ่งการห่มและการลาดพระบาลีว่าปริดเหติตสติก็มีบาทพระคาถาว่าอาเปโตนมัสจเจนะ ความว่าปราศจากอธิบายว่าปราศจากการฝึกอินทรีย์แลว้วจีสัจจะอันเป็นฝ่ายประมาทสัจจะบทว่าณนะโซเป็นต้นความว่าบุคคลนั้นคือผู้เห็นป่านนั้นย่อมไม่ควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะบทว่าวันตะกะซาวสะสัะความว่า พึงเป็นผู้มีกิเลสดุดน้ำฝากอันขายแล้วคือมีกิเลสดุดน้ำฝากอันทิ้งแล้วได้แก่มีกิเลสดุดน้ำฝากอันละแล้วด้วยมรซีบทว่าซี่เลสุได้แก่ในปริสุทธิ์ที่ศีลสี่บทว่าสุสมาหิโตได้แก่ภูตังมั่นดีคือดำรงอยู่ด้วยดี บทว่าอุเปโตความว่าประกอบด้วยการฝึกอินซีและว่าจีสัจจะมีประการดังกล่าวแล้วบทว่าสะเวเป็นต้นความว่าบุคคลนั้นคือหินปานนั้นย่อมควรนุ่งห่มผ้ากาสาวะนั้นในการจบคาถาภิกษุผู้อยู่ในต่างทิศนั้น ได้เป็นพระโสดาบันชนแม้เหล่าอื่นมีจำนวนมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นเทศนาได้สำเร็จประโยชน์แก่มหาชนดังนี้แลเรื่องพระเทวทัต